วันนี้เป็นวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตไฝ่ธรรมผู้มีความรักความชอบพระพุทธศาสนา ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะได้มาช่วยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่กับพวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนานเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งทางใจแก่พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย <c oughs> ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากความทุกข์แควค่าปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการที่พระพุทธศาสนาจะอยู่กับโลกนี้ไปได้ยาวนานขึ้นอยู่กับการกระทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่สี่ หัวข้อด้วยกันข้อที่หนึ่ง mm hmm. คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัต mm ิ hmm. ข้อที่สองหลังจากที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วให้นําเอาไปปฏิบัติ mm hmm. เรียกว่าการปฏิบัติธรรมข้อที่สาม เมื่อได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องแล้วสิ่งที่จะตามมา ก, ก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุมากผลนิพพานบรรลุถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติและข้อที่สี่หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้ว ก็ให้นำเอาธรรมที่ได้บรรลุที่ได้รู้ได้เห็นที่มีอยู่ในใจนี้เอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปพอมีผู้สนใจมาศึกษามาปฏิบัติก็จะมีผู้บรรลุธรรมเป็นรุ่นรุ่ น, นตามลำดับต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็จะมีพระพุทธศาสนาอยู่กับโลกของเราไปเรื่อยๆเป็นเวลาอันยาวนานนี่คือวิธีที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่กับพวกเราไปนานๆต้องอยู่ถึงอยู่อยู่ที่การศึกษาปฏิบัติบรรลุธรรม และเผยแผ่ธรรมเป็นหลักกพราสาระองค์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นทางนำพาให้ผู้ที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของ ิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้นาพาสัตว์โลกให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิด ที่เกิดจากอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชานี่เองนี่คือตัวศาสนาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ถาวลวัตถุต่างๆวัดว า, ารามต่างๆพระพุทธรูปต่างๆส่วนนี้เป็นเพียงส่วนประกอบที่เสริมสวยความ ตวเความงดงามให้แก่พระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นตัวสาระที่สำคัญเพราะว่าท่าวราวัตถุต่างๆไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่เป็นเครื่องที่สนับสนุนให้มีการศึกษาให้มีการปฏิบัติ ให้มีการบรรลุธรรมให้มีการเผยแผ่ธรรมกันได้อย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราต้องเข้าใจอย่าหลงประเด็นอย่าหลงไปคิดว่าการสร้างวัดวาอารามต่างๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างถาวรและวัตถุต่างๆนั้นเป็นการทานิวบางรลงพระพุทธศาสนา ถ้ามีแต่ทาวรวัดเถระไม่มีผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือพระอริยบุคคลมาคอยมาสั่งมาสอนผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัตินี้จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้เลยจำเป็นที่จะต้องมีพระอริยบุคคล มาเป็นครูเป็นอาจารย์พระรยยบุคคลคนแรกของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่เองหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว พระ อ, องค์ก็นำเอาความรู้ของพระ อ, องค์ที่ได้บรรลุถึงคือวิธีการของการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากกองทุกข์ต่างๆพอได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติ ไม่นานก็ปรากฏเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาทันทีคือบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาทันทีหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจใจจะอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ใจจะอยู่อย่างไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือผลที่เกิดจากการมีพระอริยบุคคลเพียงบุคคลเดียวคือพระอาหารหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้บูชาเคารพนับถือพอมีพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบทางสู่การดับความทุกข์ต่างๆแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลก สารโลกที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ศึกษากันแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติกันพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงการปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็จะตามมาอย่างแน่นอนคือมรรคผลนิพพาน เหนือมากสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือขั้นของการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆในพระพุทธศาสนามีแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันพระอริยบุคคลจึงมีสี่สี่ระดับเหมือนกับการศึกษาทางโลกที่มีการแบ่งเป็นปริญญาขั้นต่างๆ มีปรัญญาตีปิญญาโทรปรัญญาเอกทางาศาสนาก็มีปรัญญาเช่นเดียวกันแต่เราเรียกว่ามรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันแต่ละขั้นนี้จะประกอบด้วยสองส่วนคือมรรคและผลคำว่ามรรคนี้ก็คือการดำเนินการ คือการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสตัณหาขั้นต่างๆนี่เองเพอชำระกิเลส ข, ขั้นที่หนึ่งได้ก็จะบรรลุถึงผลของการชำระคือจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นที่หนึ่งได้มาเป็นคู่ๆในการมรรคกับผลนี้เป็นคู่เหมือนกับการเรียนปริญญา ก่อนที่จะได้รับปริญญาก็ต้องมีการศึกษามีการทำข้อสอบกันพอได้ทำข้อสอบผ่านแล้วก็จะได้รับปริญญาปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีก็ไปเรียนขั้นปริญญาโทต่อพอเรียนขั้นปริญญาโทและสอบผ่านแล้วก็ได้ปริญญาโทต่อจากนั้นก็ไปสู่ปริญญาเอก ทางศาสนาก็เป็นแบบเดียวกันต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติขั้นต่างๆเพื่อทำข้อสอบให้ผ่านข้อสอบก็คือการชำระหรือกาจัดกิเลสตัญหาของขั้นต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองพอกิเลสตัญหาขั้นที่หนึ่งหมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติที่เรียกว่ามรรค ผลก็จะเกิดตามมา ท, าทันทีเรียกว่าผลอเรียมกักอาเรยผลขั้นที่หนึ่งก็มีชื่อว่าโสดาโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลหรือขั้นพระโสดามันขั้นที่สองก็คือสกิดาคามีมกักสกิดาคามีผลหรือขั้นพระพระสกิดาคามี ขั้นที่สามก็เรียกว่าอนาคามีมรักอนาคามีผลหรือพระอนาคามีพอบรรลุ อ, อนาอนาคามีผลก็เรียกว่าได้เป็นพระอนาคามีขั้นที่สี่ก็อรหัตตมรักอรหัตตผลพอได้บรรลุถึงอรหัตตผลก็เป็นพระอารหรันตพอได้ถึงขั้นที่สี่แล้วก็จะได้ เข้าสู่พระนิพพานได้ต่อไปขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ยังไม่ถึงพระนิพพานต้องไปถึงขั้นที่สี่ก่อนพอถึงขั้นที่สี่แล้วถึงจะไปนิพพานได้ก็เหมือนกับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือบ้านของเราสมมติเราจะเดินทางกลับบ้าน เราก็ต้องผ่านจุดต่างๆผ่านจุดที่เราจะต้องผ่านไปพอไปถึงจุดสุดท้ายไปไปถึงบ้านเราถึงจะเข้าบ้านได้ถ้ายังไปถึงแค่หน้าบ้านประตูบ้านยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเราก็ยังไปถึงไม่ถึงบ้านนี่ผ่านนี้ก็คือบ้านของใจที่ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ที่ไปถึงนิพพานแล้วใจนี้จะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจต่อไปอย่าไปกลัวคำว่านิพพานซึ่งมักจะแปลว่าศูนย์แล้วมักจะเข้าใจว่าตายกันศูน์หายไปหายไปหมดไม่มีหายผู้ปฏิบัติแทบเป็นแทบตายจะหายไปได้ยังไง และธรรมชาติของใจของผู้ปฏิบัตินี้ก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีวันตายสิ่งที่ตายไปจากการปฏิบัตินี้ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาและภพชาติต่างๆการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆนี้จะหายไปหมดเมื่อใจได้ไปถึงพระนิพพาน ดันไม่ต้องไปกลัวคำว่านิพานคำว่านิพานนี้เป็นบรล ม, มสุขนิ่บานังปรมังสุขขงังถ้าเป็นบรล ม, มสุขแล้วมันจะสูญไปได้อย่างไรมันไม่มีมันไม่สูญถ้าสูญมันต้องไม่มีความสุขที่มันสูญก็คือความทุกข์นิ่บานังปรมังสุญยังนิพานนี้ เป็นที่ศูนย์ปราศจากความทุกข์ต่างๆทุก์ต่างๆนี้ได้ถูกชำระหมดสิ้นไปแล้วด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักแนวธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราไม่ต้องกลัวคำว่นนานิพพานบางคนคิดว่าอป น, นิพพานแล้วศูนย์หรือบรรลุถึงพระ น, นิพพานแล้วจะต้องตายภายในเจ็ดวันถ้าไม่ได้บวช อันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าใจที่ถึงมรณาภานนี้ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนหรือไปทำให้ร่างกายอยู่ยาวขึ้นหรือตายเร็วขึ้นเป็นคนละเรื่องกันร่างกายนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ร่างกายอยู่หรือให้ร่างกายตายไม่ได้เกี่ยวกับใจ ที่บรรลุธรรมขันต่ า, าง ๆ, ๆแต่อย่างใดแล้วคำว่าบวชที่แท้จริงนี้ผู้ที่ปฏิบัติถึงมรรคผลขั้นที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นพระแล้วเราเรียกว่าพระอริยะบุคคลเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ใส่เครื่องแบบของนักบวชเท่านั้นคือไม่ได้โกนศีรษะไม่ได้นุ่งหเหลือง่มเหลือง แต่ใจของผู้ที่ได้บรรลุถึงพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันนี้ถือว่าได้บวชแล้วบวชด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้เป็นตัวที่บวชที่แท้จริงก็คือใจใจที่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้ถือว่าเป็นใจที่ได้บวชแล้วเพราะฉะนั้น ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปหาเครื่องแบบมาใส่ถ้าถ้าอยากจะอยู่แบบคารวาสไปก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อใจได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วจะอยู่กับพวกที่ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล น, นั้นอยู่กันยากเพราะอยู่กันคนละแบบอยู่กันแบบสงบกับอยู่กันแบบวุ่นวาย ผู้ที่ได้ถึงความสงบแล้วจึงมักจะไม่อยากจะอยู่กับผู้ที่มีแต่ความวุ่นวายใจต่างๆชีวิตของคารวาสผู้ครองเรือนนี้มันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายใจต่างๆนั่นเองแต่ชีวิตของผู้ที่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วเป็นชีวิตที่มีแต่ความนุ่มเย็นเป็นสุขจึงมักจะ ไม่อยู่ร่วมกันแยกกันอยู่ผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชก็จะไปบวชกันต่อไปเมื่อโอกาสพร้อมถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่บวชก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องบวชภายในเจ็ดวันถ้าไม่เช่นนั้นจะตายไปอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่าไปเชื่อสิ่งที่ คนที่ไม่รู้เรื่องเอามาพูดกันเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คิดไปอย่างนั้นก็ได้เช่นมีเรื่องของบุคคลคนหนึ่งอยากจะได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธเจ้าในขณะที่กำลังทรงบิณฑบาตก็ขออาราธนาให้โปรดแสดงธรรมให้ฟัง พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเวลานี้ไม่สะดวกต่อการแสดงธรรมแต่ชายผู้นั้นก็ยังยืนยันว่าถ้าเช่นนั้นก็ขอให้แสดงธรรมแบบย่อๆเอาแต่เนื้อหาสาระแท้ๆของธรรมก็พอพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลนั้นว่าถ้าเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นถ้าเธอได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน คือถ้าเธอสัมผัส ร, รับรู้เรื่องอะไรต่างๆนานานะให้รู้เฉยๆรู้ด้วยอุเบกขาอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นให้ปล่อยวางนั่นเองพอแสดงธรรมสั้นๆแบบนี้ชายคนนั้นก็บรรลุธรรมทันทีเข้าใจวิธีการปฏิบัติเพื่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วได้บรรลุแล้วก็กราบขออนุญาตไปเตรียมอภริฐาเพื่อบวชต่อไประหว่างทางได้ถูกกระเทงขวิดตาย <Yeah. S 1> ก็เลยทำให้คนคิดว่าเนี่ยพอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วพอไม่ได้บวชก็จะต้องตาย <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ใช่มันเป็นเหตุบังเอิญพอดีเขาจะไปเตรียมตัวไปบวช เพราะเขาไม่มีภาระอะไรกับทางโลกแล้วนั่นเองอีกกรณีหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงประชวรหนักกำลังจะตายคืออยู่ได้ไม่เกินอีกไม่เกินเจ็ดวันพระพุทธเจ้าก็ไปทรงแสดงธรรมโปรดพระราชบิดาจนพระราชบิดานี้ ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์เจ็ดวันก่อนตายพอดี<ม>ก็พอดีพอบรรลุพระอารหันต์แล้วก็อยู่ได้เจ็ดวันแล้วก็ตายไปก็เลยมีการคิดว่านี่แหละถ้าเป็นค า, ารวดพอบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วจะต้องตายไปถ้าไม่ได้บวชเป็นพระก่อนภายในเจ็ดวันนี้ อันนี้เป็นการคิดไปเอาเองตามเหตุการณ์ที่มีปรากฏขึ้นในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองแต่ความจริงพระราชบิดานั้นก็จะตายอยู่แล้วจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็ต้องตายเหมือนกับหมอที่เราไปหามหมอบางทีหมอบอกว่าเป็นโรคอย่างนี้อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนหกเดือนอันนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจดังั้น ขอให้เราไม่ต้องไปวิตกกังวลกับการหลุดพ้นจากการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะทำให้ชีวิตเราสั้นลงมันไม่เกี่ยวกันเรื่องของร่างกายนี้มันจะอยู่ได้นานไม่นานนี้มันก็มีเหตุของมั น, มนไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของใจที่บรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่คนบางคนไม่บรรลุมรรคผลนิพพาน มีอายุยืนยาวนานกับพระพุทธเจ้าก็มีเช่นยุคนี้สมัยนี้มีคนอายุยืนนาวถึง1้อยปีขึ้นไปก็มีเก้าสิบกว่าปีเมื่อาวานนี้ก็พระราชนีอิซาเบตก็เสด็จสวรรคตอายุเก้าสิบหกปีก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดไม่ได้บรรลุมรรขผลนิพพาน แต่ร่างกายของท่านก็อยู่ของท่านได้ไปตามเหตุตามปัจจัยที่สนับสนุนร่างกายให้อยู่ไปส่วนร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ก็อยู่ได้เพียง80สิปีเนทะ่านั้นอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตใจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพอบรรลุถึงพระอรหันต์แล้เป็นพระอรหันต์แล้วถึงนิพพานแล้ว ถ้าไม่ได้บวชนี่จะต้องตายภายในเจ็ดวันแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วนี่ถึงนิพพานแล้วมักจะออกบวชกัน<ม>เพราะว่าชีวิตของผู้ที่บรรลุทำกับชีวิตของผู้ที่ยังอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้มีวิถีชีวิตที่ต่างกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็มักจะไม่อยู่ร่วมกันแยกทางกันอยู่ไปผู้ที่อยู่ทางโลกก็ยังหาความสุขแบบทางโลกอยู่หาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพชนิดต่างๆส่วนผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็อยู่กับความสงบอยู่กับใจที่นิ่งที่สงบที่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรให้เหนื่อยยากต่อไป นี่คือผลที่พวกเราทุกคนต้องการที่จะไปถึงกันให้ได้ผลที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราไปให้ถึงกันเพื่อให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันเพราะถ้ามีพระอริยบุคคลแล้วก็จะสามารถทําประโยชน์ให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุได้เป็นผู้รู้ทางสอนคนที่ไม่รู้ทาง ก่อนไม่รู้ทางมีคนสอนมันง่ายกว่าคำทางไปเองนี่เพระพุทธศาสนาเราถึงอยู่มาได้จนถึงวันนี้สอง0กว่าปีนี้<ส>ก็เพราะว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ธ, ธรรมมีการเผยแผ่ธรรมมาตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่บรรลุธรรม ทรงศึกษาและปฏิบัติก็เบื้องต้นก็ศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดไม่มีใครรู้ว่าจะสอนอยังไงต่อไปพระพุทธเจ้าก็เลยต้องศึกษาก้นคว้าด้วยตนเองเพราะครูบาอาจารย์ต่างๆในยุคนั้นรู้วิธีการปฏิบัติเพียงขั้นศีลและขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่รู้ขั้นปัญญาว่า มีอะไรบ้างต้องศึกษาอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างยังไม่มีใครได้สำเร็จมากคนนี้ผ่านกันพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหรือว่าทำขั้นศีลขั้นสมาธินี้ยังมีกำลังไม่พอต่อการกําจัดความทุกข์ต่างๆยังได้เมื่อไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอน ก็เลยต้องคาทางไปเองลองผิดลองถูกไปเองจนในที่สุดก็พบความเป็นจริงปัญญาคือสิ่งที่ต้องรู้<ม>ก็คือต้องรู้อริยาาสัจว์่ต้องรู้จากใจรักษ์<ม>อันนี้แหละเป็นธรรมที่จะทำให้หรือความรู้ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานขั้นต่าง ต้องมีการรู้เห็นเข้าใจหลักของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนะนาจารลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาต้องรู้ว่าทุกนี้เกิดจากความอยากต่างๆความอยากในสิ่งที่มันทำให้ใจทุกข์กันคืออยากในสิ่งที่มันเป็นใจลักนั่นเอง อยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนอยากในสิ่งที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวพอได้แล้วพอมันหมดไปก็ทาให้ใจทุกข์ขึ้นมาเวลาอยากจะได้ยังไม่ทันได้ก็ทุกข์แล้วพอเริ่มมีความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลาบยศจลเสริญสุขนี้พออยากบ้บขึ้นมานี้ใจเริ่มมีความกังวลกังวาย ก็สับก็สายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วพอได้มาก็ดีใจเพียงเดียวเดียวแล้วก็มากังวลกวายกับการกังวลกับการดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาเพราะรู้ว่ามันเป็นของไม่แน่นอนนั่นเองลาบยศสารเสรินสุขนี้โดยธรรมชาติของเขา เขามีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเจริญรากก็มีการเสื่อมรากมีการเจริญยศก็มีการเสือญญ่อมยศมีการสรรเส ร, ริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เนี่ยมันเป็นของที่ไม่เจริญเพียงอย่างเดียวไม่เป็นรากยศสรรเสริญสุขเพียงอย่างเดียว มันกลายเป็นการศูนย์หรือเป็นการเสื่อมของลาบยศสารเสริญ ส, สุขด้วยแต่สัตโลกนี้ไม่ได้มีปัญญาที่จะมองเห็นไตรลักษณ์กันไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังเช่นลาบยศสารเสริญ ส, สุขที่พวกเราแสวงหากันเพราะเราคิดว่ามีลาบยศสารเสริญ ส, สุขแล้วเราจะมีความสุขกันแต่เราไม่ได้เห็น ไม่ได้มองเห็นธรรมชาติของนาบยศสละเสรินสุดว่าเป็นอนิจจงอนิจจงก็คือเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเปลี่ยนไปจากใหม่ก็กลายเป็นของเก่าจากของดีก็กลายเป็นของเสียหรือจากมีก็กลายเป็นไม่มีไปก็ได้ นี่คือธรรมชาติของราบยศสารเสริญสุขได้แล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปแล้วก็เป็นอนัตตาคือเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปไปสั่งไปควบคุมบันครับให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาได้ให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาได้ ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีการหมดไปเช่นได้ลาบมาได้เงินได้ทองมาเราก็ต้องเอาไปใช้กันพอใช้ไปไม่นานมันก็หมดถ้าเราไม่ไปหาใหม่ถึงแม้ไปหาใหม่บางทีก็หาไม่ได้ก็มีพอหาไม่ได้เงินไม่พอใช้ความสุขที่เคยได้จากเงินทองก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นม า, ท, าทันที นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ใจที่อยู่ภายใต้อำนาจของโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาคิดว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกันแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด ที่จะสั่งได้ว่าให้อยู่ให้ดีไปตลอดเป็นไปไม่ได้<ม>เพราะเกิดความอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่ไปตลอดให้ความสุขไปตลอดมันก็เลยเกิดความอยากกวนกยขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่มันจากไปนั่นเอง ผู้ใดที่ได้เห็นและเข้าใจหลักของอริยสัจสีและหลักของตายรักแล้วก็จะสามารถกําจัดยุติความอยากต่างๆได้เพราะจะเห็นความอยากต่างๆนี้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนยาพิษนั่นเองเ mm hmm. ช่นถ้าเราเคยใช้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ววันดีคืนดี มีการประกาศบอกว่าสินค้าชนิดนี้บริโภคไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอันตรายมันมีสารก่อมอะเร็งอย่างนี้พอเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีพิษมีภัยเราก็จะไม่กล้าที่จะไปบริโภคสินค้าชนิดนั้นต่อไปอันนี้ก็คือการเห็นความจริง ในตายรักในอริยสัจสี่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสะรสริญสุขที่เราต้องการกันนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวสุขตอนต้นแต่มันจะกลายเป็นความทุกข์ตอนปลายไปเมื่อมันเปลี่ยนไปหรือเมื่อมันหมดไป แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันครับไม่ให้มันเปลี่ยนไม่ให้มันหมดไปได้มันก็เลยทําให้เราทุกข์ทุกข์ทั้งขณะที่เรามีมันและทุกข์ในขณะที่สูญเสียมันไปอันี้คือสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ ที่สัตวโลกแสวงหาเป็นความสุขให้ความสุขกับสัตว์โลกนั้นความจริงเป็นเหมือนสินค้าที่มีภัยอันตรายต่อผู้บริโภคคือมันไม่เกิดขึ้นทันทีเวลาบริโภคนี้มันให้ความสุขให้ความ อ, ร, อร่อย รับประทานอาหารชนิดต่างๆที่มีสารที่เป็นสารก่อมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้กันเพราะยังไม่มีใครนำมาไปพิสูจน์ไปวิจัยเพราะของอย่างนี้มันใช้เวลานานกว่าจะไปรู้ว่าทำห้เกิดมะเร็งขึ้นมานี่บางทีต้องใช้เวลาหลายปีศึกษาแล้วก็วิ <c oughs> จัยดูคนที่บริโภคสินค้าชนิดนี้แล้ว ห้าปีสิบปีต่อมาเป็นมะเร็งกันหมดอย่างนี้เขาก็ถึงจะรู้กันแต่กว่าจะไปรู้นั้นก็สายไปเสียแล้วบริโภคไปทั้งห้าปีสิบปีมา <c oughs> อันนี้ก็เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันล้วนเป็นอันตรายต่อใจของผู้บริโภคของสัว์โลกทั้งหลาย คือเป็นเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองแต่ไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาสนใจแต่ดูแต่ผลตอนต้นที่ได้จากสิ่งต่างๆว่ามันเป็นความสุขเหลือเกินเวลาได้ลาบยศสารเสริญเวลาได้เสพกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจมันรู้สึกมีความสุขเหลือเกิน แต่มันไม่ได้มองไปข้างหน้าว่าของเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันหมดไปหรือถ้ามันไม่หมดร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการใช้บริโภคของเหล่านี้มันก็เสื่อมได้เหมือนกันตาหูจมูกนิ้นกายมันก็เสื่อมไปตามวัยร่างกายแก่ชราหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย พิกลพิการความสามารถที่จะเสพลาบยศาสารเสริญเสพความสุขจากรูปเสียงกิ่นลดผดผ้าต่างๆมันก็จะด้อยลงไปหรือหมดไปพอไม่ได้เสพความสุขจากสิ่งเหล่านี้ใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความซึมเศร้าเกิดความคิดสั้นขึ้นมาบางคนคิดถึงกับค่าตัวตาย เราอยู่ไปก็ไม่สามารถมีความสุขได้ต่อไป<ม>เพราะไม่ได้พิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนว่าสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้มันเป็นของชั่วคราว<ม>เป็นอนิจจังเป็นของที่เราไปห้ามมันไม่ได้ปิดมันไม่ได้<ม><ม>พอมันสูญไปมันเสื่อมไปมันก็เลยทำให้ใจของเราทุกข์ขึ้นมามทุกข์จนกระทั่งไม่อยากจะอยู่ คนที่ค่าตัวตายก็เพราะทุกแบบนี้นะทุกเพราะว่าเคยเคยมีความสุขจากการดูการฟังการกินการดื่มการทำอะไรต่างๆจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นพอถึงเวลาหนึ่งไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้เวลานั้นก็จะเกิดอาการซึมเศร้าเกิดอาการหงุดหงิดําคาญใจ จนถึงไม่มีความอยากที่จะดำรงชีวิตต่อไปก็คิดฆ่าตัวตายกันเราคงจะได้ยินข่าวาวอยู่เรื่อยๆของคนที่เขาฆ่าตัวตายกันไม่มีใครอยากฆ่าตัวตายกันหรอก mm hmm. เพราะไม่มีใครรักชีวิตยิ่งกว่าตัวเราเองแต่สาเหตุที่ทำให้ต้องคิดฆ่าตัวตายก็เพราะว่าขาดความสุขที่เคยได้รับจากการบริโภค นาบยศเสรเสรสุขกันนี้พอไม่สามารถบริโภคได้ไม่สามารถเสดได้ใจก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยคิดฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะต้นเหตุของปัญหาของความทุกข์ความเครียดนก็คือความอยากที่จะบริโภคสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเมื่ อ, อยากบริโภคแล้วไม่ได้บริโภคมันก็ทุกข์ แวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ที่การฆ่าร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เป็นเหตุก็คือความอยากเศรษรลาบยศ ส, สรรเสิญสุขนี่ที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์แบบทรมานใจถึงกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป มันอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากอยู่ที่ตัวความอยากความอยากในอริยสัจสี่ความทุกข์ใจความไม่สบายใจความซึมเศร้าความหงุดหยิดลำคาญใจนี้เกิดเวลาที่มีความอยากจะเสพ บ, บริโภคแล้วไม่สามารถจะเสพ บ, บริโภคลาบยศสรรเสริญสุขกันได้นั่นเองก็เลยทำให้ไม่รู้จะทำยังไงอ ย, งอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุขก็คิดว่า ถ้าตัวตายแล้วความทุกขั น, นี้จะหมดไปมันไม่หมดนะมันยังอยู่เพราะมันไม่ได้ตัวที่เป็นต้นเหตุมันไม่ได้ตายมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวที่เป็นต้นเหตุก็คือความอยากที่จะบริโภคที่จะเสพลาบยศ ส, สรรสนุสุขนี้มันยังไม่หมดไปจากใจนะพอร่างกายตายไปใจที่มีความอยากนี้มันก็ยังทุกทรมานอยู่เหมือนเดิม แล้วมันก็จะเป็นตัวที่พาให้ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปไปเกิดใหม่อีกทีหนึ่งไปเกิดเพื่อจะได้ร่างกายอันใหม่นี้มาใช้ในการบริโภคลาบยศสารสริญสุขใหม่อมพอตอนเกิดใหม่มก็ได้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วมีความสามารถที่จะไปห า, าลาบยศสารสริญสุขต่างๆมาบริโภคมาเสกได้ ช่วงยุคที่เป็นเจริญเติบโตยุคหนุ่มเป็นคนหนุ่มคนสาวนี่มักจะมีแต่ความสุขกันเพราะสามารถที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆที่ต้องการมาเสพได้แต่เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนวัยชราวัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเข้าไปสู่ยุคของข้าวยากหมากแพง ่างเช่นช่วงที่ผ่านมาสองปีที่มีโรคระบาดและไม่สามารถที่จะออกไปหาสิ่งต่างๆมาเสพได้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ทาให้เกิดความเครียดกันเกิดความทุกข์ทรมานใจกันขึ้นมาตอนนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกนี้โลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีเรื่องราวต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆที่มาจะทำให้การแสวงหาความสุข จากลาบยศสารเสวนสุขนี้มันชะงักลงไปเวลาที่มันเกิดอาการชะงักลงไปนี้ก็เป็นเวลาที่เกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจกันนี่คือการเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในเรื่องของราบยศสารเสวนสุขที่มีในโลกนี้แล้วก็เห็นทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากจะเสพ รูปเสียงกิ่นรสต่างๆอยากจะเสพลาบยศ ส, สรรสิญสุขนี้ว่ามันทาให้เกิดความทุกข์ทรมานใจแล้วถ้าเห็นพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าเป็นไตรลักเห็นสิ่งต่างๆเป็นไตายลักเป็นทุกข์เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากบริโภคสิ่งเหล่านี้ก็หยุดความอยากเสียเท่านั้นเองถ้าหยุดความอยากได้ ใจก็จะหายทุกทันทีถึงแม้ร่างกายยังเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้ร่างกายจะพิกลพิการเป็นอามภะกรรมภาพหรือถึงแม้ว่าจะสูญเสียลาบยศสารสรนสุขไปมากน้อยเพียงไรก็ตา่างความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้มันหายไปปลิดทิ้งเลยพอเข้าใจหลักของอริยสัจจว่าตอนนี้ที่เราเครียดที่เราทุก ที่เราซึมเศร้านี้มันเกิดจากความอยากของเราเองอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มันพอทําไม่ได้ก็เลยทําให้เกิดอาการเครียดเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นพอเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็หยุดความอยากนี้ทั้งเองเอ้ถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็ไปอยากมันทําไมก็อยากไปอยากเลยนี้ปัญหาก็คือถ้าเราไม่มีมรรคถ้าเราไม่ได้มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจของพวกเหล่านี้เกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆอยากทำอะไรต่างๆพอไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็หยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่จะหยุดมันเครื่องมือที่จะหยุดมันนี้ก็เรียกว่ามรรค ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนิโรธก็คือการดับของความทุกข์คือการหายไปของความทุกข์กดจากการเจริญมรรคถ้าเรามีมรรคมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากให้หมดไปจากใจได้ถ้าเรายังไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เราจะไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ถึงแม้เราจะได้ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังก็ตา ม, มการได้ได้ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังเช่นในขณะนี้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของของส่วนประกอบขององค์มรรคถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะหยุดใจได้ทำใจให้นิ่งให้เฉยได้ มันก็ยังหยุดความอยากไม่ได้ถึงแม้จะรู้จากการได้ยินได้ฟังว่าการความเครียดความทุกข์ใจต่างๆนี้เกิดจากความความอยากต่างๆมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งต่างจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ทรงปฏิบัติศีลสมาธิมาแต่ง เต็มที่แล้วศีลนักสามาบริสุทธิ์ตลอดเวลาสมาธิก็ได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วในขั้นรูปปัจจานารูปปัจจานะสามารถหยุดจิตหยุดความคิดได้ทุกเวลาที่ต้องการพอมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาพอเข้าถึงอริยาาสัจสีเข้าถึงตายรักได้พอรู้ว่าเหตุที่ทำให้พระไตยของพระองค์นี้ทุก ไม่สบายใจอยู่เรื่อย เ, เกิดจากตัณหาความอยากนี้เท่านั้นเ<ม>พระไปอยากในสิ่งที่เป็นใจรักเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา<ม>ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอรู้ว่าสาเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากความอยากพระองค์ที่ใจที่มีสมาธิใจที่สามารถหยุดความหยุดใจได้หยุดความอยากได้ก็หยุดความอยากไปทั้นเอง ไม่อยากอะไรต่อไปถ้าเกิดความอยากก็หยุดมันได้เหมือนกับการที่ผู้บริโภครู้ว่าเคยบริโภคสินค้าชนิดนี้แล้วเคยบริโภคมาแต่พอมาทราบในภายหลังว่าเป็นสินค้าอันตรายต่อชีวิตก็หยุดได้ทันทีเพราะว่ารู้ว่าถ้าบริโภคต่อไปก็จะต้องตาย น, นั่นเองอ อันนี้ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากการบําเพ็ญหลังจากที่ได้ปฏิบัติขั้นศีลขั้นสมาธิแล้วก็คือขั้นปัญญาได้เห็นตายรักได้เห็นอริยสัจสีแล้วรู้แล้วว่าต้นเหตุของความทุกข์โดยจากความอยากอยากในสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นเป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ขัง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปบริโภคอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาตินั่นเองเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้พอมีใจที่เป็นสมาธิมีกำลังที่จะหยุดใจได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการพอเกิดความอยากที่จะไปบริโภค克าบยศเสริญสุขไปบริโภคสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็สั่งให้ใจหยุดได้ทันที เมื่อสั่งให้หยุดความอยากต่างๆได้ความอยากก็หมดไปจากใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็หมดไปหมดไปด้วยมัคมัค ก, ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิบัติมาเบื้องต้นก็ได้ศีลได้สมาธิจากการไปฝึกหัดไปเรียนกับพระอาจารย์ต่างๆแต่พอถึงขั้นปัญญานี้ ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้ใจหายทุกข์ไปอย่างถาวรได้ขั้นสมาธินี้หยุดความทุกข์ได้เป็นช่วครั้งชั่วคราวเวลาใจไม่สบายเกิดจากความอยากก็เข้าสมาธิไปพอเข้าสมาธิความอยากก็ถูกระงับไปชั่วคราวแล้วพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากใหม่ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาใหม่ ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้ความทุกข์ใจหายไปอย่างถาวรก็มีพระพุทธเจา้านี่แหละที่หลังจากได้ทรงค้นความพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็ไปเจออริยสัจสี่ไปเจอตายรักนี้นั่นเองถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักแล้วเรื่องของความทุกข์มันก็จะหมดไปเพราะรู้สาเหตุของความทุกข์ก็คือความอยาก การรู้ของเหตุที่จะทำให้ความอยากหมดไปกำลังก็คือกำลังของใจก็คือศีลสมาธิเนีเ่และปัญญาพอมีมรรครบองค์มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถละความอยากต่างๆในทุกขั้นตอนได้ ความอยากมันก็แบ่งไว้เป็น4ขั้นตอนในอริยมรรคอริยผลหรือในมรรคสี่ผลสี่นี่มรรคก็คือการเจริญไต่ล้างเจริญอริยสัจ ส, สี่ในขั้นในในขั้นต่างๆเพื่อละาความอยากของขั้นต่างๆพอละความอยากขั้นที่หนึ่งได้ก็ได้บรรลุผลขั้นที่หนึ่งพอละความอยากขั้นที่สองได้ก็บรรลุขั้นที่สอง พอรับความอยากขั้นที่สามได้ก็บรรลุขั้นที่สามพอรับความอยากของขั้นที่สี่ได้ก็บรรลุถึงขั้นที่สี่พอได้ถึงขั้นที่สก็คือได้รับความอยากที่มีในใจร้อเอร์็หมดสิ้นไปไม่มีเหลืออยู่ในใจต่อไปใจที่ไม่มีความอยากเหลืออยู่ร้อ อยู่ในใจร้อยเปอร์เซ็นไม่มีความทุกข์อยู่ในใจร้อยเปอร์เซ็นหายไปร้อยเอร์ซก็เรียกว่าเป็นพระใจของใจก็เข้านิพพานไปเป็นนิพพานไปนั่นเองนี่คือพอผู้ใดเข้าถึงทรระดับนี้แล้วก็จะสามารถที่จะนำเอามาสอนผู้อื่นต่อไปได้ผู้อื่นที่อยากจะพ้นจากความทุกข์พอได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติตาม ก็จะได้เห็นผลแล้วก็จะบรรลุเช่นเดียวกันเมื่อบรรลุแล้วก็จะสามารถนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองอยู่ไปกับโลกไปเป็นเวลาอันยาวนานถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้ว หลังจากบรรลุแล้วก็นำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนต่อไปแต่ถ้ายังไม่บรรลุแล้วไปเผยแผ่สั่งสอนอันนี้จะเป็นอันตรายซึ่งในในในยุคนี้หรือในทุกสมัยนี้ก็มีบางท่านที่ได้ศึกษาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุผลแต่คิดว่ารู้แล้วด้วยความคิดขึ้นมาเองคิดว่ารู้แล้วคิดว่าปุจพ้นแล้ว แต่ความจริงยังไม่ได้หลุดพ้นแล้วไปตั้งตัวเป็นครูเป็นอาจารย์ก็มักจะสอนแบบไม่ถูกต้องเพราะว่าตอนเองไม่รู้ว่าทำขั้นต่างๆนี้มีไว้เพื่ออะไรมีขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาครูอาจารย์บางรูปก็คิดว่าขั้นสมาธินี้ไม่มีความจำเป็นนั่งสมาธิแล้วไม่ได้อะไรนั่งแล้วหลับตา นั่งอยู่เฉยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวท่านเองยังไม่ได้นั่งสมาธิเป็นนั่นเองยังเข้าไม่ถึงผลของสมาธิยังไม่เห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิก็เลยไปเหมาว่าสมาธินี่เสียเวลาเปล่าๆไปขั้นปัญญาเลยดีกว่าไปพิจารณาไตรลักษณ์ไปพิจารณ า, า, าอริยสัจสี่แต่ถ้าพิจารณา ใจรัพิจารณาริยสัตวโดยไม่มีใจที่เป็นความสงบเป็นพื้นฐานนี้พิจารณาไปก็ปล่อยวางไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้อยู่ดีหยุดได้แต่ความคิดเท่านั้นเองแร้วหยุดได้ในระดับที่มันเป็นระดับง่ายๆแต่ระดับที่ยากๆลึกๆนี้ยังไม่ดับไม่ได้เพราะยังไม่ได้ไปพิสูจน์เช่นการอยากจะพิสูจน์ว่าเราระ ง, งับความอยาก ในร่างกายของเราได้หรือเปล่าความอยากให้ร่างกายเราไม่ตายนี้มันเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์กันแต่ถ้าเรานั่งคิดเฉยๆนี้เราก็บอกว่าเราก็รู้ว่าร่างกายต้องตายแล้วเราก็คิดว่าเรายอมตายได้แต่ตอน น, น้ตอนที่เราคิดเรายังไม่ได้เจอข้อสอบเรายังไม่ได้เจอของจริงว่าการยึดติดกับร่างกายการอยากให้ร่างกายไม่ตายนี้มันเป็นทุกข์ มันจะต้องไปเจอเหตุการณ์ mm hmm. เช่นไปเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยไปเจออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการใกล้าตายขึ้นมา mm hmm. เกิดประสบการณ์ใกล้าตายขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่ะถึงจะรู้จริงว่าเรายังอยากไม่ตายหรืออยากอยากอยู่หรือเปล่าถ้าใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับ ความเป็นความตายในขณะที่อยู่ในเหตุการณ์แบบคอขาดบาดตายอันนี้เราก็จะรู้ว่าเราปล่อยวางร่างกายได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านั้นเราจะไม่มั่นใจเราจะไม่แน่นใจเฉนเราคิดว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายก็ยอมรับได้ในระดับของความคิดแต่อันนี้ระดับของความจริงรับได้หรือไม่เราไม่รู้ต้องรอไปเจอเหตุการณ์ เ, เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วไปหาหมอหมอก็วิเคราะห์ดูว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายมีอยู่ได้ไม่เกินหเดือนดูซิว่าตอนนั้นใจของเรายังเป็นปกติเหมือนหรือเปล่าหรือมีความเครียดมีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเครียดเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังอยากอยู่ยังอยากไม่ตายกันยังอยากให้ร่างกายอยู่ไปต่อไป ยังมีความยึดความติดอยู่กับร่างกายเพราะยังอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเราพอเรารู้ว่าเป็นมะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้จะต้องตายแน่นอนเท่านั้นละ่ะก็ดูดูที่ใจได้แล้วว่าใจเราเป็นยังไงถ้าใจเราเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็แสดงว่าเราไม่มีกําลัง ที่จะหยุดความอยากอยู่ความอยากไม่ตายได้แต่ถ้าเราได้ฝึกสมาธิมาอย่างโชคชนจนสามารถควบคุมใจให้เราอยู่นิ่งเฉยๆได้ตลอดเวลาพอเราไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแทานที่ใจเราจะสะทกสะท้านจะหวั่นไหวใจกลับเฉยได้เพราะเรามีกำลังของสมาธิมาช่วยสนับสนุนแล้วเราก็มีปัญญา คือความรู้ว่างร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วข่าวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนและเราสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบเวลาที่เราเจอกับความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัตินถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านสอบสอบตกหรือสอบไม่ตกนี่ถ้าไม่ทําไปทําข้อสอบจะไม่รู้กัน เหมือนญาติโยมเียหนังสือก็รู้ว่าได้เรียนมาแล้วแต่จะผ่านไม่ผ่านนี้ถ้าไม่ไปสอบจะไม่รู้ว่าเรารู้จริงหรือไม่รู้ไม่จริงฉันได้การเรียนก็เหมือนกันเรียนอย่างเดียวไม่พอเรียนต่อให้เรียนจบพระไตปิโดกเรียนจบปริญญาเก้าหรือจบหลักธรรมชั้นตีโทเอกถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วยังไม่นําเอาไปปฏิบัตินี้ความรู้เหล่านี้ไม่พอที่จะมา ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ถ้าไปคิดเสียเองว่าต่อไปนี้เราไม่ทุกข์แล้วเพราะเรารู้หมดแล้วรู้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดแล้วเราไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปอันนี้เป็นเพียงแต่ข้อสรุปเป็นความคิดแล้วก็เอาเวลานี้ไปสั่งสอนคนอื่นให้ท่องให้จําหลักธรรมต่างๆให้ท่องให้จำอริยสัจสี่ให้ท่องให้จําไตรลักษณ์ให้ท่องให้จํา บทแห่งกรรมเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งหลายท่องไปเท่านั้นเองเป็นเพียงแต่เป็นเพียงแต่ความคิดไม่ใช่เป็นความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้นำมาไปปฏิบัติถ้าเอาไปปฏิบัติแล้วเอาไปทำข้อสอบถึงจะรู้จริงเห็นจริงและเวลาสอนจะได้สอนได้อย่างถูกต้องแม่นยาสอนแบบครบครบว่าครบครบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องสอนที่จะต้องรู้ ยุคนี้สมัยนี้ท่านก็คงจะเคยได้ยินว่าบางแห่งก็สอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิไม่นั่งนั่งหลับตาเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้อะไรต้องไปทางปัญญาต้องเดินจิตดูจิตอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีสมาธินี้ดูไปก็ทำอะไรจิตไม่ได้ดูแล้วจิตมันอยากมันโลกก็หยุดกันไม่ได้เวลาจิตมันทุกข์ก็ดับความทุกข์ไม่ได้ ถ้าไม่มีสมาธิถ้ามีแต่ปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่พอปัญญาต้องมีสมาธิด้วยถึงเป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือเกิดจากการนึกคิดนี้ไม่มีไม่มีกำลังพอที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาถึงจะสามารถ ที่จะทําให้ความทุกข์ต่างๆนี้ดับไปได้ด้วยปัญญานเองเพราะฉะนั้นการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอศึกษาแล้วอยากไปสอนต้องรู้ว่าเรายังไปไม่ถึงเรายังเรียนไม่จบถ้าเป็นปริญนาตรีก็ยังเป็นเพียงแต่ขั้นทฤษฎียังไม่ได้เข้าห้องสอบยังไม่ได้ทําข้อสอบเราต้องไปเข้ า, ขาห้องสอบทําข้อสอบด้วยการปฏิบัติก่อนปฏิบัติสมาธิว่าเราหยุด เราหยุดความคิดความอยากทำจิตให้นิ่งเฉยๆได้หรือเปล่าก่อนถ้ายังไม่ได้ก็ต้องไปปฏิบัติให้ได้ก่อนถ้าเราปฏิบัติหยุดจิตได้แล้วทีนี้เราก็ค่อยไปเดินทางปัญญาต่อไปแล้วพอจิตเกิดความทุกข์ใจเราก็สามารถใช้สมาธิกับปัญญานี้มาหยุดความอยากหยุดความทุกได้ทันทีนี้คือเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติ การบรรลุธรรมและการเผยแผ่ธรรมเป็นสิ่งที่ต้องทำตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนเป็นการขาดเพราะจะทำให้ไม่ได้เกิดผลกับผู้ปฏิบัติเองแล้วก็ไม่ได้เกิดผลกับผู้ที่มาศึกษาต่อศึกษาก็จะสอนสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกไปสอนแบบที่ตนเองเข้าใจไม่ได้สอนตามหลักของความเป็นจริงก็จะทาให้เป็นศาสนา เป็นคำสอนที่ไม่มีผลตามมาไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานตามมาเมื่อไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่มีผู้รู้จริงเห็นจริงที่จะนำเอามรรคผลนิพพานมาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้ไม่รู้ต่อไปเมื่อไม่มีอาการเผยแพ่สั่งสอนที่ถูกต้องผู้เรียนก็จะไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ต่อไปาศาสนาก็จะหมดไปจะเหลือแต่สร้าง เหลือแต่ถาวรและวัตถุต่างๆมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระพุทธรูปมีอะไรต่างๆมากมายแต่จะไม่มีพระอริยบุคคลมาเผยแผ่สั่งสอนสาศาสนาก็จะเป็นาศาสนาที่ไม่สามารถช่วยดับความทุกข์ใจได้ผู้ที่เข้าหาถาวรและวัตถุเข้าหาพระพุทธรูปนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจของตนได้ไปกราบพระไปขอพรกัน แต่ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจมันก็ไม่มีวันมันไ ม, ม่มันไม่หมดมันไม่มีวันหมดมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อไปศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วไปปฏิบัติจนถึงพอบรรลุปฏิบัติจนบรรลุมากผลนิพพานพอบรรลุแล้วทีนี้ก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้วจะได้ทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนต่อไป ดังนั้นขอให้พวกเราเข้าใจว่ า, าศาสนาส่วนไหนเป็นส่วนสำคัญาศาสนาส่วนไหนเป็นส่วนที่ไม่สาคัญฐานวัตถุนี้ไม่สาคัญสิ่งที่สาคัญก็คือการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุและการเผยแผ่ธรรมตัวนี้แหละที่จะทำให้าศาสนาอยู่กับโลกไปได้เป็นเวลาอันยาวนานก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราตาเลปุเรนติสักรลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะชิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะวะโสยธามณิโชติวะโสยธาสัพพิติโอวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนยสีลิสานิจังวุฒาปะจายโน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 น, นอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามเองก็ได้เข้ามาที่ข้างหน้านี้จะมีใบกระโขรให้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางย t u b e ได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติเข้ามา456คน YouTube พระสุชาติไลฟ์237 YouTube Dr. V 98วิทยุออนไลน์10 c l ับ h o u s e 16ผู้รับฟังหน้ากุฏิ204คนรวมทั้งหมด 1,021 ครับยังไงกลุ่มหน้ามีคำถามไหม ถ้ายังไม่มีตอนนี้เอารอไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาทำามีคําถามอะไรก็อ่านได้เลยคําถามจากท่านหน้ากุฏิครับมีสองคำถามจากคุณอัชชราคําถามแรกถ้านั่งสมาธิไปครึ่งชั่วโมงแล้วขาชาควรทําอย่างไรต่อไปครับก็ง้างต่อไปแต่ต้องขยานพุทโธพุทโธอ ย, ย่หยุดพุทโธ ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าไปสนใจกับอาการชาของร่างกายแลอาการเจ็บปวดมันไม่เป็นไรหรอกถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจแล้วใจเราจะเย็นจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วอยากให้มันหายมันจะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาดงั้นอย่าอย่านั่งเฉยๆเวลาเกิดอาการเจ็บทางร่างกายให้ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ สวัสิีติพิโสภัควาอะหังสัมมาสัมพุธทธวิชาจรินะสวดไปหลายๆรอบเดี๋ยวอาการเจ็บปวดมันก็จะหายไปเองคำถามที่สองครับถ้านั่งสมาธิพิงฝาและกลืนน้ำลายถือว่าผิดหลักในการปฏิบัตินั่งสมาธิไหมครับมันจะทำให้ปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลนะเพราะถ้ามันเองนะมันสบายมันจะหลับ สองถ้าคอยคืนน้ำลายก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่เวลานั่งสมาธิเราต้องการปล่อยร่างกายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายใจจะแยกออกจากร่างกายงั้นถ้ายังกลับมาคืนน้ำลายอยู่มันก็ไปไม่ได้เหมือนกับเดินออกนอ ก, นอกบ้านไปได้สองเก้ากับเข้ามาเปิดประตูบ้านเข้าไปใหม่แล้วก็ออกไปใหม่ไปแล้วก็ไปเลยทิ้งบ้านไปเลยไม่ต้องกังวลเวลานั่งสมาธิก็จะทิ้งร่างกายไว้ชั่วคราว ให้ใจได้เข้าสู่โลกทิพย์คำถามจากคุณเจอา น, นิสงของการฟังเทศมหาชาติ13การจบในวันเดียวถ้าเราไม่ได้ไปฟังที่วัดฟังทาง YouTube มีอา น, นิสงเท่ากันไหมครับคือการศึกษาอา น, นิสงก็คือการเข้าใจเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟัง ถ้าเขาเทศเป็นภาษาที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีอนิสงส์อะไรเป็นการเรียนการเทศนี่เป็นการสั่งสอนคนฟังก็เป็นเหมือนนักเรียนนักเรียนฟังแล้วต้องเข้าใจเรื่องที่คนที่เขาสั่งสอนว่าเขาสั่งสอนเรื่องอะไรเทศมหาชาติก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เกิดเป็นพระอะไรต่างๆ เป็นการสอนให้เรารู้ถึงการบำเพ็ญบารมีต่างๆของแต่ของแต่ละภพแต่ละชาติคำถามต่อไปจากคุณทรีลูกได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเจอพระอริยสงฆ์ที่ยังมีชีวิต ที่ผ่านมาได้ส่งจิตสัมผัสกับครูบาอาจารย์รับทราบมาว่าท่านมาสอนและมาเตือนเราเสมอแต่ยังมีความสงสัยบ้างจึงขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายในจุดนี้ด้วยครับว่าสิ่งนี้คือจิตที่ทรีปรุงแต่งไปเองหรือเปล่าครับมันก็เป็นไปได้นะความคิดปรุงแต่งของเรามันก็คิดไปได้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อความคิดมากเกินไป ให้พิสูจน์ว่าความคิดกับความจริงมันตรงกันหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ตรงกันก็อาจจะอาจจะเป็นแค่เป็นแต่ความคิดเฉยๆก็ได้คาถามจากคุณเอกอริจังกับอนัตตาต่างกันอย่างไรครับผมเห็นว่ามันคล้ายๆกันคือความไม่เที่ยงครับอนิจังไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอนัตตาเป็นเรื่องของเป็นธรรมชาติ เป็นของที่ไม่มีใครไปบังคับไปสั่งมันได้เหมือนดินฟ้าอากาศนี่เป็นอนัตตาฝนจะตกแดดจะออกมีมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปสั่งไปห้ามได้แล้วก็การตกบ้างไม่ตกบ้างนี้เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงบางทีก็ตกบางทีก็ไม่ตกเรียกว่าอนิจจังส่วนไม่มีใครไปสั่งไปห้ามมันได้เรียกว่าอนัตตาเป็นเรื่องของธรรมชาติ คำถามจากคุณม u l ติ v ว r s ์โลกวิทูรู้แจ้งโลกได้แก่รู้อะไรบ้างครับและอะไรเป็นเหตุให้ถึงความรู้แจ้งโลกเช่นนั้นครับก็รู้เรื่องลาบยศสารเสรนสุกเนโล ก, กธรรมแปดในโลกนี้ครับพวกเราทุกคนที่วุ่นวายกันก็เกี่ยวกับเรื่องโล ก, กธรรมนี่คือลาบยศสารเสรนสุขโล ก, กธรรมแปก็คือเป็นเป็นของคู่กัน ลาบยึดสารเสริอสุขมีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อมก็เลยเป็นสี่คู่ในว่าโลกธรรมแปดที่เข้าใจหลักโลกธรรมแปดแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับโลกธรรมบ่อยเหมือนกับเราเข้าใจหลักของธรรมชาติของดินฟ้าอากาศเราเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่มีการแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถไปบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ ทันในโลกกะระทาแปก็เป็นแบบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการปแปรปรวนไปเรื่อยๆไม่สามารถสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปที่มาของความรู้นี้ก็คือจากการวิเคราะห์การพิจารณาดูศึกษาเท่านั้นเองรู้ศึกษาถึงถาโด้วยการถามว่าโลกกะระทานี้เป็นของเที่ยงไหมมันก็จะรู้ว่าไม่เทียง เป็นของที่เราสั่งได้ไหมรู้ว่าสั่งไม่ได้มันถ้าเราอยากให้มันเป็นตามที่เราต้องการถ้ามันไม่ได้เป็นไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนั้นตาคําถามจากคุณที เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราอยู่ในขั้นไหนเพื่อที่เราจะได้บอกหรือสอนได้ถูกทางและถูกคนครับบางบางทีรู้สึกไม่ต้องการสอนใครเลยเพราะรู้ดีว่าเราสบายแล้วครอบครัวเราก็สบายแล้วแต่จิตทยสำนึกก็สงสารคนเหลือเกินครับขอความเมตตาด้วยครับการจะรู้ทาแต่ละขั้นนี้มันก็ ถ้าเราไม่ศึกษาดูเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นขั้นไหนกันแต่ถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่งั้นถ้าอยากจะรู้ก็ต้องศึกษาก่อนว่าเหมือนกับปริญญาตีโทเองเยจบปริญญาตีรู้อะไรบ้างจบปริญญาโทรู้อะไรบ้างต้องมีการศึกษาถ้ายังไม่รู้ก็ไม่ต้องไปสอนถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปสอน และการสอนนี่ก็ไม่ใช่ไม่ควรที่จะเป็นการไปดึงคนมาให้เราสอนสอนเพราะว่าเขาอยากจะมาศึกษากับเราเขาไม่รู้เขาอยากจะรู้แล้วเขาคิดว่าเราอาจจะรู้ถ้าเรารู้สิ่งที่เขาอยากจะรู้เราก็บอกเขาไปถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องบอกเขาไปคำถามจากคุณแบมมีสองคำถามครับคำถามแรก ได้มีการอดข้าวหนึ่งวันวันนั้นแม่เป็นห่วงเลยถามว่าเลยบอกว่าให้กินข้าวด้วยก็ตอบแม่ว่าก็กินอยู่การที่เราบอกไม่หมดเป็นการโกหกไหมครับถ้าไม่ผิดกับความเป็นจริงก็ไม่โ ก, กถ้ามันผิดกับจากความเป็นจริงก็โกหกคำถามที่สองครับเวลาที่เห็นคนอื่นทุกข์แล้วเรารู้สึกทุกข์ไปกับเขาเราควรทำใจอย่างไรดีครับ เราไม่มีอุเบกขาใจเราอ่อนไว้กับสิ่งที่เรารับรู้เห็นเขาสุขเราก็สุขไปกับเขาเห็นเขาทุกข์ก็เลยทุกข์ไปกับเขาเพราะเราไม่ได้ฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธิให้มีอุเบกขาถ้าใจเรามีอุเบกขาเราก็จะเฉยๆกับความสุขความทุกข์ของเขาแต่ก็ไม่ได้ดูดายถ้าเขาทุกข์แล้วถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเข้าไป แต่ถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้ก็เราก็ต้องปล่อยปล่อยวางไปถ้าเขาสุขเราก็ยินดีกับไปกับเขายินดีกับความสุขเขาได้แต่เราจะไม่ไปทุกข์กับความสุขความทุกข์ของเขาเราจะเฉยๆคําถามจะคุณประยงตอนที่เราใส่บาตรถ้ามือบังเอิญไปโดนบาตรพระจะถือว่าเป็นบาปไหมครับถ้าไม่มีเจตนาก็าไม่ไม่บาป คำถามจะผู้ฝากถามก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมลงเราฐานะพุทธบริษัทจะสามารถดารงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวได้อย่างไรบ้างครับก็อย่างที่เทศนี่นะเราต้องศึกษาปฏิบัติจนบรรลุบรรลุแล้วเราก็สามารถที่จะเอาธรรมที่เราบรรลุนี้ไปสอนผู้อื่นได้คำถามจะคุณวราภรณ์ ทำสมาธิแล้วเกิดอาการหูอื้อตัวโยกหมุนเกิดจากอะไรครับเกิดจากการไม่มีสตินั่งเฉยเฉยไม่ได้ต้องมีสติกำกับใจเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาหรือดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาอย่างนั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยเดียวจิตมันจะแสดงแผงฤทธิจะแผงฤทธิทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้ คำถามจากคุณพเคจะมีวิธีขจัดความรู้สึกไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจได้อย่างไรครับทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าให้ปล่อยวางแต่พอเจอของจริงกับปล่อยวางไม่ได้เลยครับรต้องฝึกสติให้มากๆนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วจิต ก, ก็จะปล่อยวางได้แล้วพอเห็นอะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆก็เฉยได้คำถามจากคุณ a อดี คนป่วยที่เห็นว่าร่างกายป่วยปล่อยมันไปไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอะไรใหม่ทั้งหมดดีกว่าร่างกายเดิมแต่ก็น่าเบื่อที่จะต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่หมดทุกครั้งที่เกิดแบบนี้เป็นปัญญาไหมครับก็เป็นปัญญาครึ่งหนึ่งต้องเห็นว่ามันเกิดมันเป็นทุกข์ถึงจะเป็นปัญญาแท้ เห็นว่าเกิดแล้วได้ร่างกายใหม่แล้วก็ไปทำอะไรได้ใหม่มันก็เห็นเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่เห็นโือร่างกายนี้มันมีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์ถ้าไปเกิดช่วงใหม่ๆ ม, มันก็จะสุขแต่ก็ไม่แน่บางทีไปเกิดยากจนลำบากก็ได้เพะฉนั้นการเกิดนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือมันต้องทุกข์ช้าหรือเร็ว ทังทางที่ดีก็อยากเกิดดีกว่ายุติการเกิดด้วยการหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคำถามจากคุณพงพันธ์ตามที่ท่านพระอาจารย์สอนคือให้ทำสมาธิจนจิตเป็นอุเบกขาแบบชำนาญหลังจากนั้นค่อยออกสมาธิมาพิจารณาทาปัญญาคำถามนะครับหากทำจิตเป็นอุเบกขาแต่ยังไม่ชำนาญ แต่พิจารณาทำควบคู่กันไปจะได้ประโยชน์มากน้อยอย่างไรบ้างครับก็ได้ตามกำลังของอุเบกขาที่เราได้ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาถึงแม้ปัญญาจะพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์แต่ถ้าอุเบกขาไม่มีกาลังพอหยุดมันก็หยุดไม่ได้เน้นพยายามฝึกให้มันมากก่อนให้มันพร้อมที่จะหยุดได้ทุกเวลาที่เราต้องการคำถามจากคุณนอส กรรมดีกรรมชั่วที่ส่งผลต่อชีวิตเราเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ไหมครับมีความเชื่อว่าทำบุญเยอะๆบุญจะได้ส่งผลในชาติปัจจุบันให้ชีวิตดีเป็นไปได้ไหมครับ<า>ก็ได้เป็นบางส่วนเพราะเรื่องของบุญนี่บางทีมั น, ม, นมันมันมีมีมีหนักมีเบาส่งผลเร็วส่งผลช้า แต่ผลที่เกิดจริงๆนี้มันไม่ได้เกิดจากการที่เรามีชีวิตดีแต่เกิดจากใจทใี่มีความสุขถ้าเราทําบุญใจเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าชีวิตเราอาจจะแร้นแค้นปวดยาขาดแค้นอันนี้เป็นคนละเรื่องกันการทําบุญทําบาปนผลผลผลผลหลักผลจริงๆอยู่ที่ใจทําบุญแล้วใจจะเย็นจะสบายทาบาปแล้วใจจะร้อนจะทุกข์ ชีวิตทางร่างกายมันอาจจะสุขอาจจะสบายอาจจะแร่นแค้นแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับผลเรื่องของผลบุญผลบาปดันั้นอย่าไปโยงกับเรื่องทางทางร่างกายซึ่งมันอาจจะมีส่วนบ้างแต่มันไม่ใช่เป็นผลหลักผลหลักๆนี้อยู่ที่ใจของผู้กระทำทำบุญรับประกันได้จะมีความสุขทำบาปรับประกันได้ว่าจะต้องมีความทุกข์ ส่วนทางร่างกายอาจจะดีขึ้นเมืออาจจะเร็วลงนี่เป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกันคำถามจากคุณสุธาดาเราจะขจัดความขี้เกียจความเบื่อจากการฝึกสมาธิได้อย่างไรครับพอเริ่มต้นทีไรอาการพวกนี้ก็จะมาทุกครั้งเลยครับ ก็าให้พิจารณาความตายบ้างนะตอนเวลาเรามันไม่แน่นอนเวลาที่เราจะได้ปฏิบัตินี่มันไม่ใช่เป็นของที่รับประกันเราจะอยู่ไปถึงอายุนั้นอายุนี้มันดีคืนดีอาจจะตายพุทธุนน้ก็ได้หรืออาทิตย์หน้าก็ได้ถ้าไม่รีบเราไม่รีบปฏิบัติเดี๋ยวพอถึงเวลาตายไปเราก็จะหมดโอกาสเขาโบราณเขาบอกน้าขึ้นให้รีบตักอย่ากขี้เกียจ เดี๋ยน้ำลดเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมนีบตักตักน้ากันเดี๋ยวน้ำลดหรือไม่มีน้ำคำถามจากคุณนอสเราสามารถเบิกบุญเอาบุญที่ดีมาใช้ก่อนให้ชีวิตเราดีขึ้นในช่วงนี้สามารถทำได้ไหมครับเบิกไม่ได้แหละบุญมันมันเป็นเรื่องของในใจไม่ใช่ของภายนอกเป็นเรื่องของใจทำปั๊บมันก็ได้ความสุขทันที ถ้าอยากจะเบิกบุญก็ทำบุญบ่อยๆวันไหนไม่มีความสุขก็ไปทำบุญก็เท่ากับเบิกบุญคำถามจากคุณจุธาทิพย์บุญสามารถแบ่งหรืออุทิตให้กันได้ไหมครับบุญที่เกิดจากการทำทานนี้ได้ให้กับผู้ล่งับไปได้แต่ผู้ที่มีชีวิตอยู่นี้มันมันอุทิตไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นบุญน้อยมากสาหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ ให้ผู้ชีวิตชีวิตอยู่ไปทําบุญเองจะได้บุญมากกว่าจากบุญอุทิศที่ต้องใช้บุญอุทิศเพราะว่าคนตายนี่เขารับบุญเขาทําบุญเองไม่ได้ก็ลเลาต้องสายเอาสายบุญของคนอื่นแต่ก็เป็นบุญส่วนน้อยมากคำถามจากผู้ฝากถามเป็นพยาบาลได้สัมผัสความทุกข์ทรมานของคนไข้ก่อนตายสำหรับหนูสัมผัส จนปัจจุบันผ่าตัดอะไรเพิ่มอีกก็รู้สึกเฉยๆกับร่างกายไม่ทุกเจ้าค่ะพอไปตามดูคนไข้คนอื่นที่เป็นทุกข์ได้แต่ให้กำลังใจแต่ไม่กล้าบอกให้เขาปฏิบตัติเพราะตัวหนูเองก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติผ่านหรือยังเลยมีแต่จะให้สอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะในการปฏิบตัติหนูคิดถูกไหมเจ้าค่ะก็เราทาเรื่องของเราให้เสร็จก่อน เรื่องสอนคนอื่นนี่ถ้าเรายังไม่มั่นใจก็อยากเพิ่งไปสอนเขาแล้วอย่างนึ่ก็ต้องดูว่าเขาอยากจะให้เราสอนหรือไม่ด้วยถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ได้มาถามอะไรเราก็ไม่ต้องไปสอนเขาคำถามจากคุณกาญจนาการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ป่วยที่นั่งไม่ได้ควรปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับก็ ปฏิบัติสตินี่แหะสวดมนต์ก็ได้พุทโธก็ได้อยู่ในท่าไหนก็ทําได้ถ้านั่งท่านอนท่าเดินท่ายืนได้หมดถ้ามีสติใจก็จะเย็นใจก็จะเบาถึงแม้จะไม่สงบเต็มที่ก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจถ้ามีสติฝึกสติไปท่องท่องพุทโธไปบริกรรมพุทโธแล้วสวดมนต์ไปเรื่อยๆนั่งสมาหรือหลับตา แล้วก็ทำสมาธิในท่าต่างๆก็ได้ท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในท่านอนมันจะหลับง่ายเท่านั้นเองก็ให้ทำในท่านั่งหรือท่ายืนแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้สติฝึกสติไปก่อนคำถามจากคุณทรี ถ้าเรากดปิดกัน้นไม่ติดตามพระที่ท่านส่งข้อความเรื่องเงินทาบุญตลอดเวลาจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกการทำบุญนี้เป็นสิทธิ์ของเราเราอยากจะทาไม่ทำนี้เป็นเรื่องของเราการบอกบุญก็ เ, เรื่องของเขาถ้าเราไม่พร้อมที่จะทำเราก็ไม่ต้องรับเรื่องของการบอกบุญก็ได้ มีอีกหคำถามครับเขาเล่าเรื่องค่อนข้างยาวครับผมสรุปครับก็คือเป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันนะก็เราก็ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านพี่สาวของภรรยาซึ่งมีกฎกติกาเยอะมากสามีก็เลยคิดสั้นครับข่าตัวตายครับคำถามที่หนึ่ง เป็นกรรมของลูกใช่ไหมเจ้าคะที่ไม่พาแฟนย้ายครอบครัวออกมาเพราะแฟนบอกบ่อยๆว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไม่หรอกเป็นกรรมของเขาเองใครทํากรรมอะไรก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาอยากจะออกก็ไปเองเขาไม่ไปเองก็ไปโทษคนอื่นไม่ได้คําถามที่สองแฟนเป็นคนดีตลอดอย่างนี้จะไปสู่พบภูมิที่ดีไหมเจ้าคะ ถ้าฆ่าตัวตายนี้มันคงจะยากเพราะการฆ่าตัวตายนี้เป็นบาปหนักถึงแม้จะทำบุญมามากก็อาจจะต้องไปใช้บาปก่อนคำถามที่สามลูกสอบตกคิดว่าตั้งรับได้ดีแต่เจอเหตุการณ์จริงๆแพ้ราบคาบคิดถึงแฟนมากๆเวลาปฏิบัติก็พยายามพุโทโธพุโทโธทำให้ลืมไปได้บ้างรู้สึกดีสงบ เวลาคิดถึงแฟนจะบอกตัวเองว่ามันเป็นไปตามไจรลักษ์ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องคำถามที่สี่ครับสัญญาเหนียวแน่นมากเวลาฝันยังใช้ชีวิตร่วมกันปกติแอบเข้าข้างตัวเองว่าเขายังไม่ไปไหน ท, ทั้งทั้งที่จริงจริงใจคิดว่าเขาไปตามกรรมของเขาแล้วถูกต้องไหมเจ้าคะเราก็ต้องรู้จักแยกแยะความจริงกับความฝันอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริง อย่าไปปล่อยให้หลงไปกับความสันต้องดูความจริงเป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วก็ถือว่ามันหมดไปแล้วให้ดูในปัจจุบันคำถามที่ห้าเมื่อออกจากสมาธิตอนนี้ใจรู้สึกเย็นได้นานขึ้นเป็นเพราะเวลาหรือว่ามาอยู่วัดปฏิบัติทำแล้วไม่เห็นที่ที่เราเคยใช้ชีวิตด้วยกันครับ ก็ใจจะร้อนหรือจะเย็นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้ถ้าไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆที่มันทำให้ร้อนมันก็ทำให้ใจร้อนถ้าไม่สัมผัสใจมันก็จะไม่ร้อนคําถามที่หกทำอย่างไรถึงจะพ้นจากสภาวะนี้ไปได้ตอนนี้ทุกทรมานเหลือเกินครับก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้น กอได้ยังมีอีกอคำถามหนึ่งครับสุดท้ายนะจากคุณจุทาทิพย์ถ้าชาตินี้เราเป็นคนไฝ่ธรรมะปฏิบัติแต่ในทางที่ดีเป็นไปได้ไหมครับที่จะกลับเป็นคนไม่ดีในชาติต่อๆไปครับก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าแล้วแต่เหตุการณ์ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุถึงขั้นพระอริยนี่ใจเรายัางเปลี่ยนได้ อันนี้อาจจะทำดีพรุ่งนี้อาจจะมีกิลเลสมาล่อมาหลอก ม, มีผลประโยชน์มาล่อมาหลอกให้เราไปทำไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งประมาทคนที่จะไม่ทำความดีนะี้ต้งแต่ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปที่ไม่ทำบาปนอกจาก น, นี้ยังไม่แน่นอนเพราะว่าใจยังไม่ไม่เห็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนบางทีถูกของอย่างอื่นมาหลอกมาล่อได้ ก็อยากประมาณพยายามยึดทำความดีไปให้มากที่สุดจะรู้ก็ต่อเมื่อมีข้อสอบมีคนเอาเงินมาให้แล้วถามว่าต้องทาผิดกฎหมายหน่อยจะเอาไหมอย่างเงี้ยก็ดูเอาตอนนี้ไม่มีข้อสอบมันก็เลยไม่รู้โอเคนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัต